อใใชีวิตลำรามารักตั้งฝังก็รักตั้งกลบจึงจะพบทางสว่างลูกชื่อวิภาพร์เงินคงมาอยู่ประเทศไต้หวันได้สิบห้าปีแล้วค่ะ ปกติเวลาที่ลูกโกรธหรือโมโหพระพิคเน่ก็จะเข้าทรงร่างลูกและลูกก็จะแสดงการเหมือนช้างเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงช้างและก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เคยถึงกับทำร้ายคนรอบข้างด้วยจงก่อนหน้านี้หลายปีลูกก็ล้มป่วยเพื่อนจึงบอกให้ลูกไปรับองค์ตอนแรกลูกปฏิเสธ จกนกระทั่งอาการป่วยก็สุดหนักมากขึ้นลูกจึงตัดสินใจรับพระพิเคเนตเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองหลังจากนั้นก็มีคนแนะนำว่าให้เลี้ยงกุมารทองจะได้ขายของดีๆลูกก็เลยสั่งกุมารทองพระพรมสีหน้าและนางกวักอิมพอร์ตเข้ามาจากเมืองไทยโดยตรงเพื่อบูชาลูกจะบูชาด้วยการจดุดธูปวันละหนึ่งครั้งในตอนเช้าพระพิเคเนตจุด12ดอก ที่เหลือจุดเก้าดอกตอนที่เด็ ก, กุมารทองมาใหม่ๆสามีของลูกบอกว่าจะเห็นเด็กผู้ชายอายุราวสบสามปีมาเล่นด้วยโดยเห็นช่วงเข้านอนจะมาเล่นขี่คอมาแย่มานวดให้สามีจึงไม่รู้สึกกลัวเพราะคิดว่าเหมือนเขาเป็นลูกแต่พอเราย้ายบ้านก็ไม่เห็นกุมารทองอีกเลยจึงคิดว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้ว แต่ก็น่นลูกก็ยังมาจุดธูปบูชาต่อเหมือนปกติทุกเช้าเพราะลึกๆแล้วลูกไม่รู้ว่าจะเอาของเรล่านี้ไปไว้ที่ไหนทั้งลังเลทั้งสับสนแต่ที่สำคัญคือกลัวมากว่าทำไมบูชาต่อแล้วจะมีอันเป็นไปแึงนั้นทางพระอาจารย์จากศูนย์ไทยเปได้มาที่ร้านของลูกเพื่อแจ้งข่าวบุญวันปีใหม่ ท่านจึงเห็นรางของลูกแต่ไม่ได้หิ่งต่างๆท่านจึงได้น้อมนำโอวาทของพระเด็จพระุรงพ่อที่พูดถึงกุมานทองและของขลังต่างๆว่าไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกติดแท้จริงไม่เะ่นนั้นเราจะมีเชื้อวิบัติติดตัวไปและเราจะยิ่งห่างไกลจากผนทางมรรคผลนิพพานลูกฟังแล้วก็ดีใจมากที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ลูกรอคอยคาตอบข้อสาคัญของชีวิต ว่าทําอย่างไรจะหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ลูกตัดสินใจทำพิธีปลดปล่อยกุมารทองและของขลังในวันเสาร์ที่27ธันวาคม2546เดอเดอร์มันเชลลงมาจากทิ่งและบอกด้วยความนอบน้อมว่าขอบคุณที่ได้ช่วยดูแลเอช่วนที่พระพ ร, ะระตัตนตรัยยังไม่กเกิดขึ้นในใจแต่ตอนนี้พระพระตัตนตรัยบังเกิดขึ้นในใจแล้ว จึงของเชิญท่านกลับคืนครูบาอาจารย์แล้วก็มากราวอรัตนาศีลห้าคำขอถึงพระรัตนตรัยมาเป็นดีพึ่งที่ระลึกสุดท้ายก็ถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้กับลูกกุมารทองแล้วเชิญทุกอย่างออกไปที่เหม็นน้ำไปไกลบ้านและขุดดินเพื่อเตรียมทำพิธีรักต้องฝังแล้วก็พูดกับกุมารทองว่าแม่น่ะไม่ได้รังเกียจนะแต่ตอนนี้แม่เห็นว่า ลูกเนะี่ยจะหมดกรรมแล้วลูกควรไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่า น, นี้หลังจากที่ฝังทุกอย่างครบแล้วก็โปรยดอกไม้ก่อนที่จะกลบดินเป็นครั้งสุดท้ายโอ้ถูกต้องมากจ้ะออถูกหลักวิชาลูกรู้สึกดีใจสบายใจมากโล่งใจมากที่ไ ด, ด้ปลดปล่อยเขาไปหลังจากที่เด็กกักขังเขามานานเหมือนเป็นผู้ที่ใช้อแรงงานเด็ก และสตรีคือ น, นางกวักแต่มาวันนี้ไม่เพียงแต่ลูกได้ปลดปล่อยเข้าไปเท่านั้นแต่ลูกยังได้ปลดปล่อยความคลางแคลงสงสัยที่มีอยู่ในใจของตัวเองความกัมงวลทั้งหมดออกไปจากชีวิตของลูกเช่นเดียวกันและวันเดียวกันนั่นเองเพื่อ น, นักเรียนรุ่บาลฝันในฝันอีกขั้นหนึ่งคือกระรมิตรยุทธามาดแ่จงซึ่งเคยได้รับภาพกุมารทองจากเพื่อนชาวไทยคนหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นน่ะแม่ตัวเธอเองจะไม่ได้ชอบเรื่องแบบนี้แต่เมื่อรับมาแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาไปทิ้งเพราะละความกลัวพอเธอได้ฟังคำแนะนำของครูไม่ใหญ่ก็ดีใจมากจึงนึกว่าพระอาจารย์ไปทำพิธีปลดปล่อยภาพกุ ม, มารทองคือได้รับภาพมาที่บริเวณแม่น้ำอูไหลด้วยเช่นกันค่ะลูกกล่าวขอบพระคุณในความเมตตาขอ ง, างครูไม่ใหญ่ที่ได้ชี้ทางสว่างให้กับตัวลูกผู้มื่นบอด ในทลายออกมาจากวังวนของความกลัวนับจากนี้ไปลูกจะข อ, อนับถือพระราตนาตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดตลอดชีวิตค่ะนี่ยังมีชาวโลกที่ยังไม่เห็นโทษภัยเกี่ยบสิ่งที่ไม่ใช่พระราชนาตรัยแล้วเรายึดออกมาเป็นที่พึ่งอีกเยอะเพราะการขยายจารย์ดาวธรรมก็คือการขยายความรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปสู่ใจครับ จะได้ทำลายความเห็นผิดให้มันหมดสิ้นจากใจไปจะได้เปลีป่ยนแปลงมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องโดยดาเนินชีวิตที่ถูกต้องมีสุขติเป็นที่ไปมีพบภูมิที่ดีเป็นที่ไปนะจ๊ะ